พระธรรมเทศนาแผ่นที่57ลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรุธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่4สิงหาคม2556มีชื่อเรื่องว่าจับจิตใจวันนี้เป็นวันที่4 สิงหาคมพุทธศักราช2556พระจาพรรษาในวัดของเราทั้งหมด39รูปสามเณรหนึ่งเป็น40แต่วันนี้ลงมาฉัน33งดไป9ท่านดยมากจะไม่มาฉันพร้อมกันท่านองค์ที่จะภาวนา ทำความผากเพียรของท่านก็มีวงที่มาชันก็มาชันเพราะพระกรรมฐานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายไม่ได้เรียนประหยัดไม่ได้เรียนนักธรรมตรีโทเอกมีแต่เรียนดูการเคลื่อนไหวของใจการเคลื่อนไหวของจิตใจเป็นหลักเรียนเรื่องของใจ พักกรรมฐานโดยมากเรียนเรื่องของใจแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าบรมครูหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านก็ให้เรียนเรื่องของใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจมโนปุกพังกามาธรรมามโนเศรษฐามโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจท่านพวกพระกรรมฐานจึงเรียนเรื่องของใจการเรียนเรื่องของใจเรียนอย่างไรแต่พวกเราเรียนแต่เรื่องกระแสของใจเลยว่าสัญญาอารมณ์ของใจโลกความนึกคิด ปรุงฟุ้งของใจแล้วก็แสดงออกมาทางกายวาจาใจคิดซะก่อนแล้วก็แสดงออกมาทางกายคือการกระทําวาจาคือคําพูดแต่ใจคิดซะก่อนจึงแสดงออกมาทางกายทางวาจาเป็นรูปธรรมให้พวกเราได้เห็นแสดงออกทางกายยังไงทาไม่พอใจ ก็ อ, อแสดงทางต า, ากับกิริยามากกว่านั้นก่อนะออกมัดออกมวยใช้ศาตราอาวุธอันนี้คือแสดงออกมาทางกายแสดงออกมาทางวาจาพูดกระทบกระเทียบเสียดสีถูกถูกเกียดติยำใช้วาจาออกมาแต่คนได้ยินรู้ว่าเขาไม่พอใจ ถ้าเห็นอากับกิริยาเขาก็รู้แล้วเขาไม่พอใจเพราะฉนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระกรรมฐานโดยมากพระกรรมฐานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่มาอยู่ป่ารงพงไพ่ยอย่างนี้มาเรียนศึกษาเรื่องของใจเพราะใจเป็นเจ้านายใจเป็นตัวการใจเป็นหลัก อย่าอกมนโนปุพังขมาธรรมามนโนเศรษามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จเดียวด้วใจเพราะฉะนั้นพวกเราจึงมาศึกษาเรื่องของใจใจของเราคิดอะไรใจของเราออามีกับกริยาอย่างไรใจของเรามีความกระเพิ่มอย่างไรใจของเราหนักไปทางกิเลส คําว่ากิเลสคำนี้เอาเข้ามาอะไรตัวไหนใจมันอยู่เป็นกลางๆลางกิเลสเข้ามาครองหนักไปทางโทสะโทสะเข้ามาครองใจถ้าเห็นใครเนี่ยขวางไปหมดแสดงออกมาทางตากิดนั่นนะตาขวางจากนั้นพอตาขวางเสร็จได้ก่อนแสดงอากับกิริยาหาคอนหาไม้หาลงหมัดลงมว ย, ย อ, อะไรตัวไหนเพราะอะรเพราะว่า ใจเข้าไปทางโทสะโพดออกไปก็มีตะดาตะคอกออกไปทางวาจาอันนี้แปลว่าใจดวงนั้นโทสะเข้าไปครอบของใจเโทสะคือความอารมณ์ที่โทสะเข้าไปครองใจถ้าว่าราคะเข้าไปครองใจเห็นอะไรเป็นสิ่งที่พอใจถ้ามีอะไรพอใจ เห็นเงินคำทรัพสมบัติเห็นคู่คนที่รักชอบพอใจก็ really really ปล่อยอารมณ์ออกมาปล่อยออกมาทางตาตา ก, เก็เยิ้มอากับกิริยาทางวาจา ก, ก็แสดงทางกายแสดงออกมาทางกายก็เป็นที่ประสานสมัคีซคจับมือหรือแสดงความพอใจ อันนี้ไปว่ากิเลต ท, ทางราคะออกมามาทางตาทางหูเวลาพูดออกไปก็หวานเอเพราะอะไรเพราะอารมณ์ออกมาทางวาจา อ, อันนี้ก็คือราคาที่อยู่ในใจมันออกมาเกิเลตโลภออกมาคือความโลภมันออกมาที่ไหน ออกมาแล้วเห็นอะไรอยากทั้งหมดอยากจะได้เพอร์เพยยังไม่ใช่ของตัวเองก็กันแกล้งหาเรื่องเอบียดบังคดโกงเล่ห์ไถ่ปนอันอไหนที่จะได้มาเป็นของตัวเองทำทั้งหมดอันนี้ปว่าความโลภออกมาจากสแสดงออกมาทางด้านจิตใจนี่หละ ส ล, ลุกแ้กก็คือหลักใหญ่ๆก็คือโลภโกรธแล้วก็หลงตัวหลงก็คืออะไรตัวหลงนเป็นพื้นฐานถ้าไม่หลงซะก่อนมันจะไม่โลภถ้าไม่หลงซะก่อนมันจะไม่โกรธถ้าไม่หลงซะก่อนมันจะไม่รักตัวหลงตัวนี้เป็นพื้นฐานเป็นตัวซักใจอยู่เบื้องหลังของใจ เนี่ยแหะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายอย่างเป็นพระกรรมฐานอย่างหลวงพอ่อเป็นต้นหรือว่าแนวแถวสายหลวงปู่มั่นท่านจะดูเรื่องของใจใจของเราขณะ น, นี้เวลานี้วันนี้เดือนนี้ปีนี้มันกระเพื่อมไปมันกระเพื่องไปทางไหนตัวไหนเขามาคลองใจของเรากิเลสราคะหรือกิเลสโทสะหรือกิเลสโมหะหรือกิเลสโลภะ เข้ามาครองใจนี่แหละก็มานั่งสมาธิทีนี้ก่อนที่จะจับกิเลสเหล่านั้นได้แล้วทำอย่างไงเราจะเป็นนึกเดาเอาก็ไม่ได้แต่จ้าวม่ยิงมันรู้อยู่แล้วมันรู้อยู่แต่ไม่รู้จะจับยังไงจึงจะอยู่หมัดเหมือนกับเราเห็นเสือสิงกระริงกระทิงแรดอยู่ในป่าอย่างนั้นนะเอมันเพรนผ่านวุ่นวายไปหมดแต่เราจะจับยังไงมันจึงจะจับให้มันอยู่ในอาณัตของเรา เราจะจับวิธีอย่างไรนี่แหละท่านก็ให้มีสมาธิในการจับ เ, เราก็ต้องหาเชือกหรือหาแล้วหรือหาอะไรวิธีการจับมันมีวิธีการมากมายหลายหลา ย, หลายอย่างบางทีก็นน่ะใช้นิวเคลียร์นิวตอนอลูกระเบิดลูกกระสุนยิงตัวกิเ ت, ลสราคะโทสะโมหะให้หมอเลย อันนั้นคือใช้ทําอย่างขั้นเด็ดขาดแต่ทีนี้เราจะจับยังไงถ้าจับอย่างนั้นไม่ได้แต่มันเพ่ผ่านไปหมดเอาอย่างไงกิเลส ข, ของเราทั้งตัวราคะทั้งตัวโทสะทั้งตัวโมหะท่านให้ใช้สมาธิสมาธิคือกําหนดลมก็สมาธินั่นคืออะไรให้มีสติสัมปชัญญะในตัวเองให้มีสติสัมปชัญญะ สติคือความระลึกได้สัมปะชัญญะคือความรู้ตัวให้มีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดจะทํายังไงจึงจะรู้สึกตัวอยู่ตลอดได้เพราะเรานั่งอยู่มันกระเ พ, b, พับไปกระพาะมาอยู่เลยให้กําหนดลมหายใจเข้าให้กําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกให้มีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นอะไรเป็วิธีการจับ จับใจแล้วจับตัวผู้รู้ให้อยู่ขั้นพื้นฐานที่แรกต้องหาเชือกคือสติสัมปชัญญะจากนั้นเมื่อเรากำหนดลมหายใจเข้ามันก็ต้องสวัสดไปสวัสดมาแต่ถึงยังไงพยายามบังคับให้มันอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหลายครั้งต่อหลายหนมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีความพยายาม ที่จะทาจิตใจให้สงบผลที่สุดก็ไม่เหลือวิสัยเพราะพระพุทธเจ้าท่านพาดำเนินมาแล้วพารรมาแล้วจากนั้นท่านก็สอนพระสาวกพาธรรมมาแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นพาธรรมมาแล้วจนมาถึงพวกเราท่านทั้งหลายก็ต่างก็ยอมรับว่าวิธีการที่จะจับตัวผู้รู้คือจับตัวใจมาสอนเนี่ยมาอยู่ในอนัต ของเราเนี่ยต้องมีสติสัมปชัญญะนะจากนั้นเมื่อมีสติสัมปชัญญะทําจิตใจไม่ให้คิดปุงฟุ้งออกไปข้างนอกแล้วใจของเราก็รวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตจะนิ่งจิตก็ไม่ปุงฟุ้งออกไปข้างนอกพอจิตนิ่งรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วนะเราจะรู้ได้ว่าเออเนี่ยเราจะให้ฝึกยังไงเมื่อสติเมื่อเรา จับจิตจิตได้แล้วเราจะฝึกยังไงจะให้ใจตวงนี้คิดเรื่องอะไรทำใหม่ใจของของเราถ้าถ้าคิดดูถ้าคิดมองดูเข้ามาข้างในเราอันดับแรกเมื่อจิตสงบรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วอันดับแรกเราจะรู้ได้ด้วยด้วยตนเองว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์เรามั่นใจในตัวของเราไม่ต้องถามใครอันนี้คือเราเมื่อจิตสงบรวมลงไปแล้ว ใจกับกายกายกับใจเห็นได้ชัดในความรู้สึกนั้นร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจของเราตีปรุงนึกคิดเหมือนกับคนกับรถแต่มันอยู่ในร่างกายของเราอันนี้ก็คือเราเห็นได้ชัดในระดับหนึ่งคือกายกับใจจากนั้นใจของเราก็จะจะถามว่าเร า, เาหลงอะไรทำไมจึงโกรธทำไมจึงรักทำไมจึงโลก เพราะอะไรมันย้อนเข้ามาหาตั ว, ตวผู้รู้ทีนอให้เข้ามาเห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วเมื่อจิตสงบแล้วมันก็จะย้อนหาโซเฟอร์มองโซเฟอร์เลยทีเดียวมองโซเฟอร์เราทำไมเราจึงเอารถไปเหยียบคนอื่นเขาเราทำไมจึงเบียดเบียดแกด่าคนอื่นเขาเราทำไมไปเห็นอะไรมันอยากได้ทั้งหมดจะเบียดเปลี่ยนเปลียนเขาทั้งหมดเปียนบังเขาทั้งหมดเพราะอะไรนะ โซเฟอร์ต้องมองตัวเองกลับมามองย้อนมาหาข้าพเจ้าะทําไมข้าพเจ้าจึงเป็นอย่างนั้นโซเฟอร์เมื่อย้อนหาเหตุแล้วก็อืเพราะข้าพเจ้าหลงวังหลงข้าพเจ้าเองหลงตัวเองเอหลงว่าข้าพเจ้าเป็นข้าพเจ้าจะอยู่โช่ฟ้าดินสลายตายไม่เป็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันจึงโลภทั้งหมดเห็นใครก็โกรธทั้งหมดเห็นใครก็รักทั้งหมด เ, เพราะเหตุอะไรเพราะมันหลงนะเพราะมันหลงตัวเองแต่นี้นพระพุทธเจ้าท่านสอนว่า อ, อโซเฟอร์อย่าหลงตัวเองนะให้สํานึกให้ดูตัวเองนะโซเฟอร์นะร่างกายสังขารนะั้มันไม่ใช่ตัวของเรานะอีกสักวันนะหนึ่งนะทิ้งทั้งหมดนะต้องปล่อยวางทิ้งทั้งหมดนะโซเฟอร์นะรถคันนี้อีกสักวันหนึ่งต้องอยู่พงหญ้าแน่แน่ต้องอไปอยู่ในหงสุ้ยแน่แน ต้องเผาไฟทิ้งแน่ๆนต้องเอาไปหลอมเป็นเศษเหล็กแน่แน่น้ะโซเฟอร์นะนี่แหละพราะพระเจ้าให้สอนเถอนี่สอนสอนโซเฟอร์จากนั้นโซเฟอร์ก็ต้องนำมาคิดละเถอนี่อืมที่เราลุ่มหลงมัวเมาไปนี่เพราะว่าเราคิดว่ารถคันนี้เป็นของเราร่างกายของเราเป็นของเราแต่ตามที้ที่แท้ไม่ใช่นะ โซเฟอร์นะอีกสักวันหนึ่งโซเฟอร์จะต้องทิ้งรถนะนี่แหละจะนี้นเมื่อโซเฟอร์จะทิ้งรถแล้วจะไปเอารถคันอื่นอีกเนะี่ยเพราะโซเฟอร์เนี่ยออกจากคันนี้เราต้องไปเอาคันอื่นเนี่นะทีนี่เนี่ยเพราะว่าคันนี้มันหมดสภาพแล้วเหมือนกราเราใช้รถไปห้าปีสิบปีมันหมดสภาพแล้วอะไรก็หลวมไปหมดแล้วอถ้าเราจะใช้ต่อไปมันเพราะมันวิ่งทุกวันนะ่ ขนาดรถของเราเนี่ยขนาดเราจังจอดไว้นะมันก็ยังชุดโฉบภายในเก้าปีสิบปีแต่ร่างกายของเราเนี่ยตั้งแต่เกิดมาออกมาจากท้องแม่หายใจอยู่ตลอดเวลาหัวใจของเราเต้นอยู่ตลอดเวลาทำงานอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมบัดนี้อายุของเราเท่าไหร่อย่างหลวงพ่อก็หกสิบเก้าปีปีนี้จะเข้าเจ็ดสิบลมรอแล้ว ไม่เคยดับเครื่องเลยเครื่องมันติดอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนนอนหลับก็ยังติดเครื่องไว้อยู่นี่แหละอันนี้เครื่องเครื่องรถคันนี้อีกสักวันหนึ่งมันจะยูนไปนานเท่าไหร่ไม่ทราบแต่ต้องทิ้งแน่ๆต้องดับเครื่องแน่ๆต้องร่างกายนี่ต้องเน่าเปื่อยแน่ๆต้องเป็นเศษกระดูกแน่ๆอย่างนั้นใช่ไหมโซเฟอร์โซเฟอร์ก็ต้องยอมรับประชาย ต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นและโซเฟอร์ที่จะออกจากรถคันนี้ล่ะโซเฟอร์ได้เตรียมเงินไว้เลยอย่างที่จะไปซื้อรถคันอื่นได้คิดไว้เลยอย่างคิดวางแผนไว้เลยอย่างโซเฟอร์ได้คิดไว้เลยอย่งางว่าวางแผนไว้เลยอย่างว่าข้าพเจ้าเมื่อออกจากรถคันนี้แล้วข้าพเจ้าจะไปเอารถคันอื่นที่ดีกว่าและข้าพเจ้ามีเงินไหมยอยู่ในกระเป๋าของข้าพเจ้า แต่โซเฟอร์ไม่ได้คิดนะไม่ได้วางแผนเอาไว้มาเกิดก็มาขี่รถคันนี้ออกมาตะลอนไปในะตะลอนมากินเหล้าเมายาจำเลเทเม า, าไม่ได้คิดไม่ได้อ่านพวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันว่าเมื่อโซเฟอร์ออกจากรถคันนั้นแล้วนะโซเฟอร์จะหาเงินที่ไหนไปซื้อรถคันอื่นที่ให้ดีกว่าหรือว่าเสมอตัว ถ้าว่าโซเฟอร์ไม่ได้ไม่ได้วักางแผนเอาไว้เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะบอกกล่าวคณะสัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าที่นั่งฟังหลวงพ่ออยู่ที่นี่เจริงไหมที่หลวงพ่อพูดให้ฟังโซเฟอร์จะต้องหนีออกจากรถคันนี้แ น, แน่แต่โซเฟอร์ได้เตรียมพร้อมไว้หรือยังมีบัตรเอทีมหรือยังมีเงินอยู่ในธนาคารหรือยังมีเงินเก็บไว้เพียงพอหรือยัง เป็นที่อุ่นใจและอย่างที่เราจะต้องโยกย้ายออกจากรถคันนี้ไปซื้อรถคันอื่นต่อไปนี่แหละสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราวางแผนให้พวกเราคิดเอาไว้ว่าพวกเราจะต้องย้ายภพย้ายชาติแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นพูดมาคำนี้นม่ใช่ว่าเอาความตายมาขู่กันเอาความตายมาบอกให้กันกลัวไม่ใช่เอาความจริงมาพูดให้ฟัง เมื่อพวกท่านกลัวแล้วจะทำยังไงให้ภาวนาให้ำํำระจิตใจให้เป็นคนดีสิ่งไหนที่มันชั่วอย่าทำคิดดีทำดีพูดดีถ้าเมื่อเราคิดดีพูดดีนั่นแหละการสั่งสมหรือว่าการเก็บหอมล้อมริบ เ, เงินคำทรัพย์สมบัติเข้าสู่ใจของพวกเราถ้าคิดดีทำดีพูดดีถ้าพวกเราคิดชั่วทาชั่วพูดชั่วแปลว่าทาบาปกรรม เมื่อทำบาปกรรมแล้วบาปกรรมตัวนี้แหละจะไปเกิดในภพภูมิใดบาปกรรมตัวนี้จะผ่านติดตามไปเกิดในภพภูมิต่างๆพวกท่านทั้งหลายจะมีแต่ความทุกข์ในหลักธรรมคาสอนของพระพุธทธเจ้าท่านว่าอากตังทุกตังเสื่อโยปัชชาตปฏิ ต, ตุกตังกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วกรรมชั่วนั้นจะติดตามพวกเราไปสู่ป็โลกภายภาคหน้า กรรมชั่วนั้นจะให้ผลความทุกข์ยากลำบากเมื่อภายหลังเพราะกรรมชั่วทำแล้วจะติดตามให้ผลตลอดไปให้ทำแต่กรรมดีถ้าทำกรรมดีตั้งแต่บัดนี้คิดดีทำดีพูดดีสร้างแต่กุศลอย่าไปคิดความชั่วเมื่อทำคุณงามความดีแล้วบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเมื่อทำกรรมดีแล้วกรรมดีนจะให้ผล ต่อไปภายภาคหน้าเกิดมาในพบใดชาติใดกรรมดีนะั่นน่ะความดีนะันจะให้ผลตลอดไปเพราะนั้นพวกเรา ท, ทุกคนเกิดมาในพบได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาขอให้พวกเราทั้งท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมขุนงามความดีเอาไว้ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีก นรกสวรรค์มีจริงบาปบุญคุณโทษมีจริงเพียงจิตใจสงบเท่านั้นเราก็รู้ได้ว่ากายกับใจไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันเห็นได้ชัดกายกับใจใจเหมือนกับคนขับรถกายเหมือนกับรถอย่างที่หลวงพ่อได้เปรียบเทียบให้ฟังแต่ว่าในหลักธรรมคําสอนท่านเน้นเรื่องโซเฟอร์รถมากกว่ารถโซเฟอร์รถสําคัญกว่า รถเนี่ยเป็นปัจจัยอาศัยเท่านั้นแต่ถ้าเขาว่าโซเฟอร์รถหลงตัวลืมตนตั้งอยู่ในความประมาทโซเฟอร์นั้นต้องทนทุกทรมานแ น, แน่เพราะไม่มีไม่ได้เตรียมการไม่ได้เตรียมการไม่ได้เตรียมสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกต่อไปภายภาคหน้า ไม่ได้เตรียมทุนเอาไว้เพราะฉะนั้นพอฝากไว้กับคณะสถาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะแต่หลวงพ่อเคยย้ําเสมอว่าที่หลวงพ่อพูดทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเราอย่าไปเชื่อนะอย่าไปเชื่อหลวงพ่อนะต้องไต่ตรองด้วยเหตุและผลพระพุทธเจ้าท่านก็ถามว่าสาลีบุตรที่เราสถาคตพูดไปทั้งหมดนี้ท่านเชื่อไหมยังก่อนพระเจ้าค่ะ เพราะข้าพระ อ, องค์ยังไม่ได้นําไปประพฤติธปฏิบัติในเมื่อได้นําไปปฏิบัติดูแล้วข้าพระ อ, องค์จะมากราบทูลเมื่อภายหลังนี่แหละทำคําสอนของพระพุทธเจ้านะฟังเอาไว้ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังในก็เหมือนกันอย่าพึ่งเชื่อทางว่าพวกเราท่านทั้งหลายเชื่อเนี่ยหลวงพ่ออินจูงไปไหนก็เหมือนจูงวัวจูงควายจูงลูกศิษย์ลูกหาเดินตำหลังไปเป็นพวนไปหมด ไม่ใช่อย่างนั้นหลวงพ่อไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นสอนให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังชี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังแนะนําให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังให้พวกท่านทั้งหลายเป็นอัจฉริยะให้ใช้ความคิดให้ใช้ปัญญาให้ใช้ความรอบคอ บ, อบกัรกรองไตรตรองเหตุและผลจากนั้นลงมือประพฤติธปฏิบัติจริงไหมที่หลวงพ่อวันนั่งภาวนาจิตใจสงบกําหนดลมหายใจเข้าออกจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่ง เ, เมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วจะรู้ได้โดยตนเองว่ากายกับใจเป็นคนละอ่านกันจริงไหมพวกท่านทั้งหลายต้องพิสูจน์พิสูจน์ดูถึงจุดนั้นแหละยังค่อยมาพูดกันจริงหรือไม่จริงะพนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านตอนนี้ไปรับผ่อนอนุโมทนาให้พรน